คนเราทำอะไรไม่ตั้งใจไม่เป็นท่าหรอกต้องตั้งใจความตั้งใจยังไม่เพียงพอมันก็ทำความดีเข้มแข็งไปไม่ได้ผู้ใดทำความดีจะเข้มแข็งได้นี่อาศัยความตั้งใจนี่แหละ ตั้งใจให้มั น, นแน่วแน่อย่าให้ใจวอกแวกตั้งอยู่ในความอดทนอดกัน้นต่ออุปสรรคต่างๆชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังโบราณท่านกล่าวไว้ ชีวิตคือการต่อสู้มันเป็นความจียงเราเกิดมาต้องมาพบกับอุปสรรคต่างๆนาน า, นาสารพัดเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าเขาจึงได้ทรงแสดงทำแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายนะั่ ให้ตั้งอยู่ในความอดความทนไม่เช่นนั้นแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปไม่ได้ เ, ออเราจะต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านั้นไปไม่ได้ถ้าไม่อดไม่ทน <c oughs> คําว่าอุปสรรคนั้นถ้าหมายเอาตรงๆแล้วก็ได้แก่กิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นอุปสรรคต่อชีวิต ให้เข้าใจท่านภูละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วท่านไม่มีอุปสรรคอะไรเลยท่านเมื่อพิจารณาเห็นว่าสิ่งใดมันทำไปไม่ได้มันเหลือวิสัยแล้วท่านก็วางอุบเบกขาเลยถ้าไม่ได้ไปบน่นทุกบ่นร้อนอะไร แต่คนธรรมดาสามัญมันวางไม่ได้เมื่อทำอะไรไปมันติดขัดกัดข้องทำไปไม่ไหวก็บนกันเป็นทุกข์ใจหนักใจหลายวุ่นวายบางทีก็เลยทะเลาะวิวาดกันผู้ร่วมการร่วมงานด้วยกันโทษต่างฝ่ายต่างก็โทษซึ่งกันและกัน อีลุงตุงน่งไปหมดเลยเนี่อันนี้แหละคนปุทธชนคนธรรมดาสามัญ น, นะมันมีความยึดถือไม่สามารถจะปรงจะวางเรื่องต่างๆที่ตนยึดถือไว้นั่นได้ดังนั้นอ่ะมันจึงวุ่นวายจึงเดือดร้อนกันนั่นนะ <c oughs> ดังนั้นเราก็พยายามพึกตนตามทางของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายนั้นดังที่พูดมาเมื่อกี้นี่แหละทำอะไรไปเมื่อมันผิดหวังมัมันไม่สมหวังก็ดีแก้ไขไม่ได้ก็ดีก็ไม่ต้องไปเมาทุกข์เมาโศกเดือดร้อนนะ ก็วางอุเบกขาลงไปเลยก็มันเหลือวิสัยแล้วนะจะไปเดือดร้อนทําไมอ่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งเนะ่ยเป็นไงก็เป็นกัน น, ะนั่นว่าแต่จะให้ใจของเราหวันไหวไปตามก็แล้วกันสิ่งภายนอกมันจะวิบัติจะแปลพันไปไงก็ตามเรื่องของมันจนะขอให้ใจของเรามันเป็นปกติอยู่นี่ความหมายของ การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งประสงค์อย่างนี้เองนะให้พากันเข้าใจอันสามันสำนึกนั่นนะ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆริงผู้ดใดทำอะไรลงไปแล้วเกิดขัดข้องขึ้นมาหรือผิดหวังลงไปก็บนทุกบ่นร้อนกันอยู่อย่างนั้นบางทีก็พานทะเลาะ ก, กัน ในระหว่างผัวและเมียก็มีในระหว่างเพื่อนผงด้วยกันที่ร่วมงานกันก็มีแตกสามคัคคีกันไปอันมุนีอันนั้นเป็นวิสัยของบุตุชนบันนี้เมื่อเราหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติธรรมในภพิจัตสนาแล้วเราก็ต้องฝึกจิตใจของเราให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหัดปรงหัดวาง สิ่งที่มันผิดหวังลงไปให้ได้อย่าไปยึดถือเอาไว้เพราะยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ไม่ได้กลับคืนมาตามความประสงค์มีแต่ตัวเองนะเป็นทุกข์เป่าๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อะไรได้แต่ทุกข์นั่น ดังนั้นเราต้องฝึกตนตามไปคนเราที่จะทะเลาะวิวาทกันได้ก็เพราะเหตุดังกล่าวมานี่แหละต่างคนต่างทำอะไรก็จะให้ได้ตามประสงค์ของตนเมื่อไปได้ตามประสงค์ของตนแล้วก็เอาละโกรธพานทะเลาะกับเพื่อนพูดทิมแทงผู้อื่นให้เจ็บใจไป อันมูนีนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะ <c oughs> ผู้ใดแสดงบทบาทไปอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอสาทุงสาธุนาชิเน พึ่งเอาชนะความไม่ดีด้วยการทําดีตอบอโกเทนะชิเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยไม่โกรธตอบ <c oughs> อนาดริยังดาเนนะพึ่งเอาชนะความตเหนด้วยการให้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นภาษีไว้อย่างนี้ก็เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมเอาไปคิดไปพิจารณาว่าความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าหรือความมุ่งหมายของมทธศาสนานี่มีอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะได้รู้ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้ า, า, า, ท, จาที่พระองค์ประทานโอวาคำสั่งสอนไว้อ ผู้ใดเรื่มใสกับพระเคารพรับถือพระองค์จริงๆก็จะได้ทําตามพระโอวาทที่ทรงตรัสไว้นี้ <c oughs> เมื่อใครทําไม่ดีต่อเราเราก็ทําดีต่อเขาไปอย่าไปทําไม่ดีตอบอืความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาทําไม่ดีต่อเรามาเราทําดีตอบไปหน่อยหนึ่ง คนผู้นั้นใจมันก็ดีขึ้นมาเองมันก็หยุดการทำไม่ดีต่อเราเพราะเราไม่ตอบโต้ในทางไม่ดีนี่เขาก็ละอายใจไปในตัวอลนั่นเนี่ยใครโกรธเรามายเนี่ยเราไม่โกรธตอบเราแสดงอาการกายวาจาเป็นปกติให้เขาเห็นนี่เขาโกรธอยู่ฝ่ายเดียว เอาไปเอามาก็นึกละอายใจอีกเหมือนกันอันนี้ก็ดีมันก็หยุดไปเองอใครเป็นคนตนีทีเหนีวไม่ชอบอยากเผื่อแผ่เจือจานผู้อื่นเอาเรามีอะไรให้มันไปอย่าไปหวังผลตอบแทนอะไรให้ไปเฉยๆนี่เอาไปเอามาเจ้านั้นก็รู้ตัวเองอ่ะ นนนะก็จะหายความตนีที่เหนียวไปมันจะนึกละอายใจนะมีเพื่อนให้ตัวฝ่ายเดียวแต่และตัวไม่ได้ให้อะไรเพื่อนเลยอย่างนี้นะมันก็นึกละอายใจเป็นหละคนเรานะเว้นเสียแต่คนที่หนาไปด้วยกิเลสจริงๆอันนั้นมันก็ว่าก็อย่างว่านั่นนะคนปลอกหลอกมันเห็นแต่แก่ได้ฝ่ายเดียว เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากอันนี้เป็นนิสัยของคนปอกลอกก็อย่าไปคบหาสมาคมกับคนเช่นนั้นต่อไป <c oughs> เรามาได้ฟังคำสั่งสอนของพรธเจ้าอย่างนี้นะเป็นวาสนานาบุญจริงๆนะถ้าผู้ดใดไม่ได้ฟังคำสอนของพรธเจ้า ไม่รู้แนวทางปฏิบัติแล้วผู้นั้นจะสะสมกิเลสหนาแน่นไวนในตนมีแต่พ่อคูณกิเลสให้หนาแน่นขึ้นเพราะว่าไม่รู้จักทางระบายกิเลสเลยไม่รู้จริงๆนะลองนึกนึกทบทวนดูก็ได้ชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ย ใครๆเกิดมานี่ต้องนึกทบทวนดูชีวิตของตนได้แน่นอนเลย <c oughs> แต่เมื่อเรายังไม่รู้ศีลธรรมน่นนะจิตใจเป็นยังไงนี่พอทบทวนได้ทุกคนแหละ <c oughs> ความประพฤติความเป็นอยู่เป็นไปอย่างไรอันนี้มาเทียบกับเมื่อเวลาเราตื่นตัวได้ฟังคำสั่งสอนของอุตเทเจ้ามา ได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วมามันต่างกันอย่างไรบ้าง เ, ออเมื่อเราทบทวนดูก็ก็สรุปได้เลยมาด้สรุปได้ว่าถ้าหาก ว, ว่าเราไม่ได้มาพบคำสั่งสอนของผู้เเจ้านี่เราจะต้องสะสมกีเหร่บาปประธรรมในหนาแน่นขึ้นในจิตใจนี่มากมายทีเดียวเป็นอย่างนั้น แล้วก็ไม่รู้จักทำความดีอะไรให้เป็นบุญบา ร, รมีที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ให้ถึงความสุขความเจริญได้ <c oughs> อันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้นะนับเป็นลาบอันประเสริฐเราได้มาพบาศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระ เ, เจ้า โกงชี่บอกทางผิดทางถูกไว้เรียบร้อยเมื่อผูใ้ใดปฏิบัติตามดำเนินตามผู้นั้นก็ได้ประสบความสุขความเย็นใจแน่นอนแหละอันนี้รู้ได้โดยตนเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เพราะว่าจิตใจของใครของมันใครปฏิบัติถูกทางผู้นั้นก็ย่อมมีความสุขความสบายได้ รู้ได้ด้วยตนเองถ้าใครปฏิบัติผิดทางก็จะไม่ได้รับความสุขความสงบเย็นใจจะได้รับความจะได้รับแต่ความเดือดร้อนใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นควรระมัดระวังให้ดีอย่าปฏิบัติผิดทางอย่าให้มันผิดทาง ปฏิบัติผิดทางนั้นก็ได้แก่ความประมาทความลนเลิกความเป็นผู้ไม่สำรวมกายวาจาใจอันนี้เป็นบทบาทสำคัญที่จะให้คนเราเดินทางผิดไปพะเมื่อไม่สำรวมแล้วถูกโมหะความหลงครอบงำ เข้าจิตใจก็มืดมนมองดูบาปบุญคุนท้ออะไรก็มองไม่เห็นเลยอมองหนทางพ้นทุกข์ต่างๆมองไม่เห็นตลอดถึงมองดูผลแห่งทานแห่งศีลโมนี้นะมองไม่เห็นเลยอเ <c oughs> <c oughs> มื่อมองไม่เห็นแล้วอย่างนี้มันก็มันก็เสื่อมศรัทธาลง ม <c oughs> <c oughs> ันก็เสื่อมศรัทธาการประพฤติปฏิบัติตามคำสองอุทตเจ้ากับอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามองไม่เห็นผลในใจอันนี้แหละเป็นจุดให้คนเราเกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมา ให้ระมัดระวังให้มากเพราะนั้นเมื่อเราให้ทานอยู่อย่างนี้นะก็ต้องพิจารณาผลของทานนั้นให้มันเห็นด้วยใจของตอนจริงๆว่าทานนั้นมีผลดีจริงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อมันเห็นผลอย่างทานนั้นด้วยตนเองขึ้นมาได้แล้วมันก็ไม่ท้อถอยในการให้ทานขวนขวายอยู่อย่างนั้น ไม่ให้ทานอย่างหนึ่งก็ให้ทานอย่างหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้ให้ทานวัตถุเข้าของก็ให้อภัยทานดังที่เคยพูดมาบ่อยๆแหละแต่ก็ต้องพูดไปอีกเพราะมันหลายคนฟังอภัยทานอา้าใครมาชวนทะเลาะวิวาทเราก็ไม่ทะเลาะด้วย ใครด่าว่าเสียดสีมาเราก็ให้อภัยเขาไปเราไม่ตอบโต้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เระเรียกว่าเราให้ทานอย่างสูงเลยทีเดียวท <c oughs> ่านเรียกว่ า, าภัยทาน <c oughs> แล้วกพิจารณาถึงผลแห่งการรักษาสิน การรักษาสินที่เรารักษามานี่นะมันมีผลอย่างไรบ้างได้รับผลอย่างไรก็ต้องทบทวนดูให้รู้ให้เข้าใจการรักษาศินก็หมายถึงว่าความสัมรวมกายวาจาไม่ไปให้มันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน นี่ว่าเอาใจใจความวันนี้เมื่อเรามาทบทวนดูว่าเมื่อเรารักษาศีลมานี่เราไม่ได้เบียดเบียนใครใเป็นทุกข์เดือดร้อนนะแล้วเราสบายใจไหมแน่นอนแนะ่ะทุกคนก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าสบายมากเพราะนึกหาศัตรูไม่มีเลยอแต่ละวันแต่ละคืนตนสํารวมกายด้วยดีสํารวมวาจาด้วยดี จะทำอะไรพูดอะไรก็มีสติกำกับเสมอไปไม่ผิดพลาดจากสินจากธรรมเพราะฉะนั้นศัตรูจึงไม่มีเมื่อไม่มีศัตรูนอนก็หลับสบายดีไม่ต้องสะดุง้งกลัวว่าใครเขาจะมาคิดเบียดเบียนตนเพราะตนไปทำเขาให้เดือดร้อนไม่มี นี่แล้วอา น, นิสงส์ที่เราจะเพิ่งได้รับในปัจจุบันนี้อา น, นิสงส์แห่งการภาวนาก็ควรประเมินดูควรทบทวนดูตั้งแต่เราภาวนาสมาธิมานี่นะมันได้ผลมากน้อยเพียงใดกัการภาวนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อทำใจให้สงบเป็นเบื้องต้น เช่นนี้เราเคยทำใจสงบมาบ้างไหมนี่ก็ต้องทบทวนดูนั่นแหละถ้าว่าทบทวนดูแล้วตนรู้ได้เลยว่าตนได้ทำใจสงบมาอยู่ไม่ใช่ไม่สงบเมื่อใจสงบแล้วอย่างนี้ตนได้เคยพิจารณาสังขารนามรูปไหม เคยเห็นแจ้งในนามรียูปตามเป็นจริงหรือไม่เคยเห็นแก็ทำไมจะไม่เห็นล่ะอันห้าอันนี้มันไม่เที่ยงมันก็มีตัวของตัวนี่แหละเป็นเครื่องดูเครื่องวัดอยู่นานปีนานเดือนเือนไปก็สุดโทมไปเท่าแกชรลาไปอันโมนี่นะความไม่เที่ยงมันบอกอยู่แล้ว ความเป็นทุกข์มันก็ติดตามกันมาพอเมื่อเรื่องกายนี่มันสุดโทลงไปแล้วมันก็ไม่มีกำลังเลี่ยวแรงเหมือนแต่ก่อนอะจะลุกก็ยากจะนั่งก็ยากจะเดินเหินไปมาทางไหนก็ยากอันมูนี้นะความลักษณะของความทุกข์ความทนได้ยากทนอยู่ไม่ไหวมันก็ปรากฏชัดอยู่ฝา น, นี้แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นนะ นั่นแหละที่เป็นดังนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นท่านจึงเรียกว่าขันห้านี่เป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดนี่แล้วเคยพี่นาให้เห็นแจ้งอย่างนี้ไหมในใจนั่นนะก็ต้องเพ่งพี่นาดูถ้าเคยพี่นาเห็นแจ้งก็ต้องตอบตัวเองได้ อได้เห็นได้เห็นแจ้งไม่สงสัยในขันห้าอันนี้เลยเห็นแจ้งตามไป่จริงอย่างนี้แหละอย่างนี้แต่ว่าความเห็นแจ้งอันนั้นบางทีมันก็อาจไปได้ช่วระยะหนึ่งเดียวมันก็กลับไม่เห็นแจ้งอีกก็ต้องมาตั้งต้นพิจารณากันอีกเรียกร้องเอาความรู้ความเห็นแจ้งอันนั้นให้เกิดขึ้น มันก็เป็นอย่างนี้ยไปก่อนนะ่ะ <c oughs> เพราะว่านานความรู้อันนี้มันยังไม่แก่กล้าเอมันก็เป็นธรรมดาแต่เมื่อเราเจริญไปไปวัยทําให้มากเจริญให้มากเข้าไปแล้วความรู้ความเมตตา น, น, นี่มันก็จะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ผู้ใดภาวนาพิจารณาเห็น ตามความเป็นจริงอย่างว่ามานี่นะผู้นั้นก็จะเป็นผู้มีปีติเอิ้ออิ่มในใจเห็นผลแห่งการภาวนาว่ามีผลดีจริงจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงแหละถ้าตนบำเพ็ญอย่างนี้ไปไม่ท้อไม่ถอยตนต้องหลุดพ้นจากทุกข์แน่นอนก็สามารถมองเห็นได้อย่างนี้เมื่อมองเห็นได้อย่างนี้ มันก็ไม่ถอยหลังแลวคนเรานะอ่าถ้าถอยหลังไปก็ไปเจอกับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้มันมั่นคงไปมันแจ่มแจ้งไปเพราะความรู้ความเห็นอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องป้องกันจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาก ก็มันจะไปเดือดร้อนทําไมล่ะในเมื่อ <c oughs> รู้ชัดว่าขันห้านี่ไม่ใช่ของเราแล้วเมื่อขันห่านี้มันวิบัติแปรปรวนไปจิตใจก็ไม่แปรปรวนไปตามแหละเพราะไม่ใช่ของเราเราจะไปถือมั่นไว้ทําไมปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้อ่ามันก็จิตก็ไม่เดือดร้อนไปตาม ทนได้ <c oughs> ไม่ใช่ว่ารู้เท่าแล้วจะไม่ต้องอดท้งทนต่อทุกขเวทนาเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะถึงแม้จะรู้เท่าอย่างไรก็ต้องได้อดได้ทนเนื่องจากว่าจิตนี่มันอาศัยอยู่กับขันห้านี่เมื่อขันห่านี่มันแปรปวนไปมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี้แหละ แต่ว่าจิตของท่านผู้รู้แจ้งผู้รู้เท่าแล้วจิตของท่านหนักแน่นอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเนยอดทนความอดทนของท่านยอดเยี่ยมมากนี่ต่างจากคนธรรมดาสามัญคนธรรมดาสามา น, นีความอดทนมีน้อยพอได้รับความกระทบกระทั่งจากสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนต่างๆเข้าไว้แล้ว จิตใจก็วันไหวไปทันทีจิต <c oughs> ใจก็วันไหวเป็นทุกข์กระวนกระวายไปซึ่งจะอดกั้นทนทานนั้นไม่ได้อดไม่ได้ <c oughs> อันนี้ลหละคนธรรมดาสามัญ น, นะ ก็จึงได้เป็นทุกข์เดือดรอ้อ น, นเราาน่าที่เราเลื่อมใสเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็พยายามดําเนินตามร่องรอยของท่านท่านเป็นผู้มีความอดทนยอดเยี่ยมเราก็พยายามอดกั้นทนทานตามอย่างนี้นะฝึกเอาถ้าไม่ฝึกแล้วใจนี่มันจะไม่กล้าหาน จะไม่หนักแน่น <c oughs> นั่งภาวนาลงไปถ้าไม่เหลือวิสัยงจริงอย่าไปออกมันง่ายๆต้องอดต้องทนไปนี่เรียกว่าเราฝึกใจให้มันหนักแน่นขั้นพอเจ็บแค่้งปวดขาอะไรนิดหน่อยก็ท้อใจแล้วถอยเสียอย่างนี้ ใจของผู้นั้นก็ไม่นักแน่นสักทีหลยเพราะขาดความอดทนนั่นแหละดวงใจของคนเรานี่นะถ้าขาดความอดทนซาละมันไม่มีความหมายอะไรเท่าไหรนักนะมีแต่มันหวันไหวมีแต่มันปลิวไปตามกระแสของกิเลสตัณหาปลิวไปตามสังขารเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงวิบัติแปรปพวน จิตก็อแปรปรวนไปตามกระวนกะวายเดือดร้อนไปตามนี่แหละมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละเมื่อทุกข์ในชาตินี้ก็วกควบคุมจิตไม่ได้วันไหวอยู่เอา้าเที่ยวไปในสงสารเกิดไปชาติใดก็จิตดวงเดียวนี่ไปเกิดนะเกิดไปชาติใดก็ไปวันไหวอยู่ในชาตินั่นแหละ วันไว้กับร่างกายสังขารนี่แหละวันไว้กับอานาจของกิเลสนี่เองนะนี่ให้คิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงอย่างไรนะบุคคลจะพ้นทุกข์ได้มันต้องมามีความเพียรความอดทนต่อสู้กับกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ให้เต็มความสามารถให้ได้ ถ้าผูใ้ใดไม่ตั้งใจต่อสู้ในชาตินี้แล้วเอา้าชาติต่อไปก็จะเป็นคนอ่อนแออยู่เหมือนเดิมนั่นแหละความทุกข์มันก็จะต้องติดตามไปไม่หยุดไม่ยั้งเลยนีย่เมื่อเราผู้ดใดรู้ตัวได้อย่างนี้แล้วก็ต่อสู้กันและนั่งภาวนาไปอถ้าไม่เหลือวิสัยอิงคิงอย่าไปออกจากภาวนาง่ายๆต้องอดกั้นทนทานไป เมื่อเราอดไปทนไปใจมันก็หนักแน่นไปป็นอย่างนั้นหรือว่านั่งภาวนาไปกิเลสมันรบ ก, กวนใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างนี้ก็อดเอาอดกั้นทนทานไปสู้กับกิเลสไปมันจะชวนให้คิดเราไม่คิดอย่างนี้นะเราจะดูจิตอยู่เนี่ยดูความรู้อันนี้ เราจะเพ่งดูความรู้อันนี้ยพอมันขยับจิตคิดเราก็กําหนดทันทีข่มจิตไว้ทันทีนี่ต้องเข้มแข็งอนะ่ะไม่เข้มแข็งไม่ได้เราจะปล่อยไปลอยๆอ่ะเนี่ยจะให้มันหยุดคิดเองไม่ได้นะจิตเนี่ยตัวเองน่ะต้องข่มตัวเองต้องสะกดตัวเองไว <c oughs> อันนี้เป็นปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนาสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายดังนั้นเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วอย่าไปท่อไปถอยถ้าเราท่อถอยแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สักทีถ้าในชาตินี้เรามาเ พ, พราะพุทธศาสนาแล้วยังฝึกตนให้ดีไม่ได้ เช่นนี้แล้วคนเราเมื่อฝูกตนให้ดีไม่ได้ไม่สามารถจะตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้มันก็ต้องหมุนไปทำความชั่ว อ, อ่มันจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะคนเรานะต้องต้องอยู่ด้วยความดีหรือความชั่วย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่อยู่ในความดีก็หมุนไปอยู่ในกับความชั่วแหละถ้าทิ้งความชั่วมันก็ต้องมาอยู่กับความดีก็จึงอยู่ได้ ในชีวิตนี้นะ <c oughs> เพราะเหตุนั้นจึงสมกับคำที่ว่ามาแล้วนั่นเนะี <c> ่ย <oughs> ว่าชีวิตคือการต่อสู้ในระหว่างเหตุกับผลศัตรูคือเป็นยากำลังก็ใครมาแสดงตนเป็นศัตรูกับตนตนอดได้ทนได้ไม่ตอบโต้ไม่สู้ อาอุบายหรือเรียงจากความชั่วไม่ยึดเอาความชั่วของคนอื่นมาเป็นสมบัติของตอนมันก็เป็นเหตุให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นในทางที่ดีนั่นแหละเป็นเหตุให้เรามุ่งมั่นต่อคุณงามความดีจะไม่สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นในตัวนี่คำว่าศัตรูก็คือยากำลังนะั่นนะ หมายความว่าเมื่อเราเห็นว่าคนผู้เป็นศัตรูต่อตอ น, น, นเขาเป็นคนชั่วอย่างนี้นะอ้าวเราก็อย่าไปชั่วเหมือนเขานี่อย่างนี้แหละเขาเป็นคนขี้โกรธอ้าวเราอย่าไปขี้โกรธกับเขาอย่างเขาเพราะความโกรธไม่ดีเอคนขี้โกรดนี่ใครๆก็เกลียดไม่อยากสมาคมคนดีทั้งหลายเขาไม่ต้องการสมาคมหรอกคนขี้โกรธอะ่ะ <c oughs> ก็สอนใจของตนเข้าไปเมื่อสอนใจตนได้มันก็อดทนได้นี่อย่างนี้นะ อ, อมันก็ทำให้กําลังใจของเราเข้มแข็งขึ้นเมตตาก็เข้มแข็งขึ้นเราก็สงสารเขาไว้ด้วยนะคนที่โกรธตนน่ะนะเออน่าสงสารเพราะว่าเขาตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสเขายัางเป็นอย่างนั้น นึกสงสารไม่ใช่นึกเกลียดคนผู้มีเมตตาทำสูงเนะนี่ยคนคนไม่มีเมตตาแล้วเห็นเขาทำไม่ดีต่อแล้วก็เกลียดชังอ่ไม่พอใจ